คนเก่าเนยก็คงได้ทำเองต่อเนาะต่อทำได้เนะต่อเกาต่คนยังใหม่บางทีก็ยังทำไม่ถูกมันสงสัยังไม่เข้าใจบางทนีนก็มันต้เหมือนมันก็เหมือนทหน้า <c ười> แต่ก็ยังทำไม่ถูกนะหรือว่าบางทีก็มันก็ตืน่นติดที่เคยทำ มันก็ยังเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องค่อยจริงคำว่าคำวิชาเนะ่ะมันจะไม่ใช่แปลว่าไม่รู้นะแต่คุณรู้ไม่ถูกหรือหรือหรือไม่ตรงหรือไม่ตรงมันก็เลยทำให้เราเป็นอย่างไม่เข้าใจแฝงแฝงนะแต่ที่จริงถามว่าเนี ถ้าเรายัางไม่เป็น ร, ราตรฐานยังไงเราก็ต้มีบางส่วนที่เดาไม่รู้ไม่กกลนกันแบบเนาะแต่เราค่อยๆพัฒนาคล้ายๆเหมือนเรายันหนึ่งสี่อะแต่ถามว่าให้เด็กมหกเก่งกว่าเด็กมหก อ, อ, อ, อันนี้เด็กขึ้นมันได้มาตรฐานนะไม่ใช่แาบเด็กแค่ผ่านไปเฉยนะแต่ถามว่าจะให้เก่งกว่าก็ไม่ได้นะอื แต่มันก็ค่อยมีพัฒนาการที่เราค่อยเรียนรู้ไปไค่อยๆเรียนรู้ไปเปื่อจะเกิดความเข้าใจไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดรู้ตัวกายตับใจเนะี่ยถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปศึกษามันด้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไปของมันเองวันนี้อาจจะเป็นวันใหม่สำหรับบางคนที่เพิ่งมาเรียนรู้ะค อาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ลองนะเอาดัดง่ายๆกันให้รู้สึกนะเวลาเราเคลื่อนไหวนะแต่เคลื่อนไหวแบบไหนก็ไดนะ้บางคนรู้สึกกับการหยุดหรือกระทบด้วยก็ไดนะ้แต่ถ้าบางคนบางทีเป็นคนโดมากไปทั้งเคลื่อนทั้งหยุดก็มันเครียดให้เอาอย่างเดียวพอ เคลืนเคลื่อนไหวเดียวก็ได้หรือรู้แต่ตอนกระสักก็เดียวก็ได้นะแต่ถ้าไปทําแล้วไม่เครียดนะก็รู้สึกทั้งเคลื่อนทั้งหยุด น, นะเราเพื่อจริงมันไม่ใช่เพียงแค่ท่านะแต่ให้ดูปฏิกิริยาของ ใ, ใจเราเป็นหลักนะถ้าปฏิกิริยาของ ใ, ใจมันเป็นปกติมันรู้แบบผ่นอนคลายไม่เครียดเกินไปเนะี่ยถือว่าปลูกทางนะ แต่ถ้าเราติดิเพีแค่รูปแบบท่านเครียดตรงนี้จะไปนะเรถือว่าตรงนี้ผูกทางเนาะลองให้เราลองอดใจของเราเตรีตัวสังเกตอย่าไปเอารูปแบบว่าต้องเดินแบบนี้ต้องยกมือแบบนี้นะความเร็วความช้าแบบนี้อันนั้นมันมันไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระสำคัญเพบางทีแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แต่เราส rados, ังเกตถ้าต่สังเกตคือสังเกตเช่นไม่สังเกตทำไมพ่อจ้างให้เดินแล้วผ่อนคลายมันอาจจะ่อนคลายไม่ใชจังหวะว่าจ่ต้องเร็วช้าแบบนั้นแต่ให้ดูตกลงว่าทำไมทำไมให้เดินดูเป็นธรรมชาติคือผ่อนคลายเราก็กลับมาดูตัวเองอะไรที่เรายังไม่ผ่อนคลายเราต้องกลับไปเองแบบนี้นะให้เราลั่งแบบไหนเยอมือแล้วทำไมมันเกร็งนะ ให้ทำไมดูคนนั้นเขานั่งยัดมือสบายแล้วก็กลับมาดูไัวเองเราติดถ่านเราเก่งตรงไหนเราต้องมาปรับตรงนี้ที่จริงผู้บริญาต้องสอนเองว่าเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนถ้สอนแค่นันนักไ้ยมันทีรายละเอียดเป็นการเติมที่หลังไปเติมก็ต้องเดินกี่จันหวะ นะเลยนั่นนี่บางทีนบางทีถ้าทำแล้วรู้ตัวก็โอเคแต่ถ้าทำแล้เครียดแสดงว่าเราเราเป็นผิดอะเราเป็จับที่รูปแบบแต่ไม่จับนิ่งหนุนใจเพราะจริงจุดจริงๆคือพระพุทธเจ้อท่านสอนว่าเนี่ยเรามีสติรู้กายเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เร า, เร า, เรามีเครื่องอยู่ อันนี้อย่างที่หนึ่งแต่ตัวหลักจริงๆนะคือมันจะเห็นใจกินะเลสไม่ไม่เกิดขึ้นที่ผิวหนังที่กระดูกที่เนื้อนะกิเลเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเราเห็นจิเห็นใจเราจะเข้าทันกิเลสกิเลสเอาง่ายๆคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาที่ใจเราเห็นมันแล้วก็รักมันได้ แต่ถ้าเราไม่เห็นกิเลสเราก็จะเป็นผู้ที่กีิเลสข้อบงำได้อะนนั้นหลักจริงพอเห็นกายแล้วพอไปตีเห็นใจใจพอเป็กิเลสเกิดขึ้นมาในใจเราเห็นเราก็จะไม่สดเป็นภาพเหมาอนคว่าเห็นก็คือว่าไอ้กิเลสก็เหมือนอาหารนะสมมตินะเห็นอาหารเราก็เลือกได้เราด้กินหรืไม่กินอันนี้อาหารมันเป็นกุศลเรากิน ถึงเมื่อไหร่มันเป็นกูเจลัดอยู่ตรงนี้ตงกั้นนะมัเราก็มีกิ่นเราก็เลือกได้แต่เราไม่เห็นเหมือนตาเรามองไม่เห็น่ะแต่ถ้าจีบค่อยมาหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นเราต้องเลือกได้ต้องเหมือนกินอะรกินอันนี้อะไรกินฝาเราไม่กินมันไม่ใช่อาหารถ้าเราไม่เห็นเราถ้าจีบปีหม้อมันกินหมดอันนั้นแหละสติจะเป็นผู้เห็นเห็นกิเลสเห็นกุศล เราก็จะเลือกได้อันนี้คือดักจริงๆนะคําว่าเห็นธรรมเนี่ยคืเห็นส่วนหนึ่งก็คือเห็นการกระทำของเรายืนเดินนั่งนอนกุญแเก็นใหม้เนี่ยเราเห็นเห็นการกระทำของเราอีกส่วนหนึ่งนี่เห็นกิเลสในจิตในใจเนี่ยหนะจะเรียกว่าเห็นธรรมเมื่อเห็นแล้วเราไม่โดนกิเลสครอบมันนะเราก็เป็นอิสระจะเรียกว่าเมื่อกิเลสครอบมาไม่ได้ มันก็คือไม่ฟุอืมันก็คือการรู้ตื่นเบิกบานเป็นผะู้ทักนั่นแหละนี่คือภาวนาเพื่อหนี้นะไม่ใช่ภาวนาเพื่อหนีหนีกิเลส น, น, น, นะรักกิเลสคนมี้กิเลสบังบันนะนอ่อะหนีนะหนีความมุนวายก็เลยหลับตาก็เลยปิดหูก็เลยหนีการงานผู้คนะอันนั้เขาเรียกว่าหนีนะไม่ใช่การทนะัก การรกกิเลสคือมันโกรธขึ้นมาเรารักมันรักทงโกรธไม่ใช่เกลียดทงโกรธนะมันต่างากบนตรงนี้อ่นะาพราะนั้นเราภาวนาแบบเนี้ยนะเ อ, น เ, ออ เ, อนเอาไปใช้กับการงานเอาไปใช้กับการคลองเรือนเอาไปใช้กับการใช้ชีวิตอย่างอื่นมันก็จะเป็นประโยชน์ไดนะ้เพราะเราไม่หีแต่เราจะเรียนรู้เท่าทนมันแล้วก็แล้วก็ใไม่ปิดกุ้งกันมา แต่บางอย่างเราก็เลือกเอาบางอย่างมันมันไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายและก็ไม่วุ่นวายนะเราไม่จำเป็นต้องเช่นบางเราไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวผับเที่ยวบารเพื่อให้มันวุ่นวายใจไม่จำเป็นต้องไปกินเหล้าให้มันต้องปวดหัวต้องเมาขาดสติอันนี้คือไม่จำเป็นเราก็ตัดไป่ไม่จำเป็นต้องไปพูดคุยเรื่องที่มันทําให้ อีดมันเกิดอกุศรไปฟังของ้อดีทากันไปนฟังข้อด่ า, ากันอันนี้นะถ้าไม่กระเด็นเนี่ยก็ตัดได้แต่บางอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอันนี้สิเอาใจเลือดได้อันนี้ให้เราเข้าใจแบบนี้ไปก่อนเท่าที่พอเข้าใจนะไม่ต้องคิดเข้าใจมากแต่ฟังไปผ่นานๆได้โยกนะนะพอสติมันมามันจะคล้ายๆ คำสอนมันจะเล้อดขึ้นเองนะทำมาเองก็จะล้ปฏิบัติทำก็ปันงานหลงพ่อครูบาอาจารย์พระเทศตอนเช้าตอนเย็นนะตันกลางวันตอนกลคืนเราก็ปฏิบัติไปบางทีบางอย่างคำเทศคำสอนท่านเนี่ยสอนไว้เมื่อหลายเดือนแล้วมันก็แก้เข้าใจแค่หัวแต่เดี๋ยวนี้เข้าถึงใจพอเจอสภาวพจริงๆโิงอ๋อมาถึงมาถึงค่อยเข้าใจจริงๆรินเออเป็แบบนี้นะ อางทีก็เป็นแบบนั้นนะมันก็ได้ยินได้ฟังได้ก่อนนดะพอมันเกิดกระทาว่ามันเกิดความทุกขึ้นมาไอ้คำเท่คำสอนนะั้นมันมากคำสอนเราหรือว่าอืมเราก็าใจผิดที่ท่านพูดนะตอนนี้เอ ง, เองแต่ก่อนไม่เข้าใจนะก็มีหลายๆเรื่องนะก็ได้ยินได้ฟังเข้าใจ้วบางส่วนนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็มีนะแล้วก็ก็ไม่ต้องเป็นเคสอะไรมาก ก็ให้เราเข้าใจเบื้องต้นไปแต่บางคนที่เคยมีประสบการณ์ในสถาวันบางอย่างเข้าใจบางอย่างแล้วก็จะมาพูดเหมือนกันนั่นแหละแต่บางคนก็เข้าใจต่างกันนะเข้าใจมากกัว่ะก็ไม่ใช่ว่าความเก่งนะแต่คือเขาฝึกฝนมามากกว่าก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะทําหำง่ายๆแบบเ้าแล้วก็เดี๋ยว แถาหนึ่งแถวสองนปกปากพาทแล้วก็เปเปตักอาหารนะเดี๋ย่าให้กลับมารับประทานรงนี้นก็ทางทีใหม่ๆก็เนี่ยงสงสัยบ้างหรือนวดนวงนองวงากาศลมพัดเย็นส บ, บายหรือ ไปเลยนะวันเสาร์ไตื่นสายอย่างนี้นะทางานวันเสารตื่นสายวันนี้ตื่นเช้าหม่ก็ง่วงหน่อยแต่บางีเวก็ต้องควบคุมตัวเองนะเมื่อคืนเนี่ยเรานอนดึกหรอเ่าอ่าดึกโดยจาเป็นหรือไม่จำเป็นก็เอาด้วยนะดึกเมือนไม่ลักทีก็เปิดดึกเพืกอนพูดคุย ดีแล้วก็อืนคืนนี้ยก็จะได้รักในเหตุตอนแต่มาว่าเ่เรื่องเวลาต้องเคยแดเคยไม่นอนเลยแต่วันต้องขึ้นก็ต้องไปทํางานใช่นหมบางทีลูกป่วยพ่อแม่ไม่สบายเป็นข้อไข้แต่วันตขึ้นก็ต้องไปทำงานเขาก็ยังเยียประมาณเท่าไรอันนี้อย่างน้อยที่บ้านเก็ได้พักบ้างนะอย่างน้อยสี่ห้าหกชั่วมง เจ็ดชั่วโมงอ่ะมันไหวนะมันหวอยู่ลองดูนอกจากใครไม่สบายการจริงเนะครัก็มาบอกกันอะไรแบบนั้นก็พักได้นะแต่ถ้าบางทีมันไม่ใช่ว่าไม่สบายด้วยอาการหนักๆจริงใจเราไม่ไหวนะต้องฝึกตำเนิดนะบางทีก็ถอดในชาตนะใหม่ๆก็ง่วงจริงง่วงก็ง่วงง่วงแบบนีง่วงแบบนี้มาก่อน เพราะอะไรแต่ก่อนมันง่วงเมื่อเราเบียดนะมันง่วงมันเบือ่อเราก็ไปทาอย่างอื่นที่มันสนุกแทนมันก็เลยไม่ทันเห็นเห็นตอนที่มันง่วงคือสุดเป็นแบบไห น, นแต่ถ้าเราลองทําไปสักพักมันจะเห็นว่าไม่นานบรอกนะผมง่วงเนะี่ยไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าทำจริงๆนะหายหายเนี่ยทจริงๆแค่แบบไห น, ไหนๆๆ หายใจให้มันนึดึดนิดหน่อยเดินสบายๆตั้งหน่อยแล้วก็เร็วๆตั้งหน่อยแบบนั้นตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยๆคือเราหายไปเองอาจจะตัดเธอมกินนัดหนึ่งตนัดไปรอมันก็ตั้งหน่อยไม่ไหวกินก็ไปล้างหน้าล้างตาแบบนี้นะล้าหน้าลังตามันก็จะสบายขึ้น แต่ถ้าบางคนยังไม่เข้าใจอยากให้บางทีอย่าไปคิดเข้าใจนะแต่ลองทําำเละเลยจนกลมยดมือเดี๋ยวคิดมือนะทํำบ่อยๆทำน้ได้นะบ่อยลอนดูที่กายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้ทํำนะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแค่รู้สึกเฉยๆกายเคลื่อนใจรู้ ไม่ต้องพูดในใจก็ได้นะไม่ต้องพูดสนะิ่งต่างรู้สึกเลยกขาเรีย่ยสภาวะโดยเป็นนิเวศกิริยาที่ร่างกายเขาเคลื่อนคนะ้ายลมมากระทบเนีาจะต้องพูดว่าลมกระทบไหมที่จริงกระทบมันรู้สึกไปก่อนนะคาพูดมันมาทีหลังนี่มนเรารู้สึกสบายสบาย ตรงกระทบสัมผัดรู้สึกกายเคลื่อนไหวสัมผัดถูกกันเรารู้สึกเนนะี่ยเป็นสภาวะใช่ไหมนันเราทำแปบนนีะ่ต่อไปมันจะนติดเองนะมันไปทำงานอย่างอื่นมันเคลื่อนไหวมันรู้สึก เคลื่อนไหวรู้สึกจะเคลื่อนไหวแล้วบนเนี่ยอันไหนมันปุ๊บปั๊บสังเกตเลยอืมเคลื่อนไหวแล้วรู้ส yeah, ึกตัวแต่เ็าทาการทำงานไปด้วยบนไปด้วเนี่ยอนไหนนปุกบนสังเกตแค่รู้สึกอืมมันเคสบายสบายเบาๆเพื่อนๆนั่งล เดี๋ยวนั่งนิ่งครับพยายามบางทีงวงเบือไม่เป็นใจบางทีก็ทำไปเรื่อยไปเนะ้นๆใจจะมีเพิ่มอยู่ใจจะมีเพื่ม อ, อยู่นะจจออยกลับมาคิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาไม่ได้ห้ามนะวิธีปฏิบัติไม่ได้ห้าวก่อนคิด ไม่ได้หน้าความรู้สึกนะแต่พิมพ์ว่าเราจะแยกเลยความคิดก็ส่วนหนึ่งให้รู้สึกตัวนี่ส่วนหนึ่งเราก็ทำความรู้สึกตัวของเราแถวหกนะอ่า จิตจิตของเราคนเราทําตัดต่างๆเนี่ยคือมันมันรับรู้ว่าโมนวิจิระย่ามันรู้ว่าโดนวิจิรอย่างนั้นนั้นอุบายในการรู้สึกตัวต้องเหมือนกันนะเมื่อจิตเมื่อกี้มันเผื่อไปคิดพอจิตอีกดวมันเรารู้สึกตัวมันก็เลยออกจากความคิดจิตของเราเรับรู้วอาโดนวิจิรอย่างนั้นนั้นอุบายก็คือนะมันเกิคิดมันจะ เมีอารมณ์เลยตื่นมาพอเรากลับมาสืบตัวมันก็เลยออกมาแต่ออกมาแล้วอาจจะเผลอไปอีกไม่เป็นไรแล้วก็ออกมาใหมา่เหมือ น, ในใคล้าที่นั่งแต่มามานั่งอยู่คนอื่นก็มานั่งไม่ได้เราจากคนเราพุ่งออกมาแย่งที่นั่งนะแต่ตุ่นใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นนะหรอกตุนใหญ่แบบจะเผลอออกไปอองเผอออกไปแล้วหมาแมวก็มานั่งตรงมนะันมันก็ตกกับตกใช่ไหมแต่พอเรารู้ตัวแล้วก็เอาหมาแมวออกไปมันมานั่งแทนมัน จิตเราต้เหมือนกันบางทีอาตุศรมาแย่งที่นั่งเราบ่อยๆ <c oughs> ซื้ออาตุศรนั่นแหละเขาอกที่นั่งของเราเขาเกาะจิตะมาเนื่องมาแต่พอเรารู้ตัวแล้วก็รักมันไปแล้วก็มานั่งแทนที่แล้วแน่คนซื้อตัวตัวนั้นคือนะเราก็รักอาตุศรที่ชนะแล้วก็มันเฟอไปอ่ามันก็ค้อยมาเกาะงาน พอเรารูตัวแล้วเขาก็มกลับมามบางทีปริญญาชนเขาก็เรียกว่ากลับมาหาความเป็นปกติกของจิตคาว่ากลับมาแต่ว่าเราเรามีอยู่แล้วเหมืนเรากลับมาบ้านเรามีบ้านอยู่แล้วบ้านสองจิตคือสภาพปกติแล้วกลับมาหาบ้านของเราแต่ว่าเรามีอยู่แล้วนะแต่สุดท้ายเนาะ ตัดแล้วก็จะตัดอาหารแต่เราใช้หลายส่วนเนาะเรากินข้าวเราก็กินมาเห็นถ้าเราโตขนาด น, นี้นะมันก็แก่แล้วนะเรากินมาไม่รู้กี่พันกี่เห น, นื่อยมื้อยังไงลองกินเนี้ยมีสติกินเนี้ยมีสติไม่ได้กินแบบฟรี อาจารย์ตุ้งเค้เล่ากันมาถึงข้อคมเขียนถามท่านในประโยคแรกๆที่เจอกันครั้งแรกเคยกินปีปีไหมเคยเดินปีปีไหมเคยนอนปีปีไหมปีปีก็คือกินแล้วไดถ่ายที่เฉ่งนะกินแล้วม่รู้ตัวกินปีปีนี่กินแต่ไมจ่ายตังแรกไม่ใช่มันอปีปีกคือ ทำไปแบบไี่รู้ตัวะก็แต่ก็กินไม่ปีเลยก็รู้รู้สึกถึงการตัดรู้สึกถึงทางเชียวหรือรู้สึกได้ถึงเงี่ยที่เราพิจารณาไม่ใช่กินไปเพื่อความกรตือรอร้นเพื่อเพลิดพลินสนานแต่กินกินไปกิเพื่อบำบัดความหิวกินไปเพื่อไม่มีความดันเพื่อได้ประพฤติสมัชฌัเนี่นคือกินไม่ปี นักกีเราก็าอยาได้กินวีปีปนะออกนาเตะถ้าวันหนึ่งสามเวลาเรากินวีปนะีอย่างน้อยก็น่าจะร่วมมือภาพหนึ่งเื้อหนึ่งสบห้านาทีสนะาม น, นื้อก็สี่สบห้านาทีแล้วได้เวลาปฏิบัติรขณะที่กินข้าวแต่ถ้าเรากินไปดูโทรทั์ใจจะอยู่กยุการดูโทรทั์เราไม่รู้สักใช่ไม น, นั่นคือตอากินตอนกีนปีๆหรือกินไปถามว่าพูดคุยได้ไหมถ้าบางทีเราอยู่กับครอบครัวก็พูดได้นะแต่บางทีเราก็กินไปหาเรื่องต่างลู ก, าาาากหาเรื่องแต่ว่าสอนนะหรกินไปก็ผ่านมันแค่ไปกินกับเพื่อนก็หาเราื่องแบบเราคิดว่ามันจะได้ไม่เครียดก็หาเรื่องพูดหยอกล้อกันสนุกสนานใช่้ยมันก็ใจเราต้อไปกับเรื่องที่ฟุย แต่เราไม่รู้ตัวว่าเร า, เรากินไปกินอาหารอย่างแทงแต่ใจเราก็ไปอยู่กับเรื่องที่พูดคุยกันมากกว่าก็ไม่ต่างจากอาหารธรรมดาใช่ไห ม, มต่างแค่ที่นั่งเฉยๆเนี่ยแต่ลองฝึกกับการกินถ้าอย่างเรากินได้ิต30ตนะนาที45นาทีเนีนะ่ยเราจะรู้ตัวอะไอืมไม่ต้องไปหาเวลาอ่า ตอนเย็นนั่งสมาธิก็ได้นะนะแต่ถ้ามีเวลาตั้งทำก็ดีแต่เราฝึกในชีวิตของเัานี่นะในการกินในการเดินนะในการนะเกี่ยวข้องกับการมาต่างๆนะนะเราฝึกสติเข้าไปได้นะไม่จะเป็นต้องรอแต่บางอย่างเราต้องเกี่ยวข้องต้องพูดคุยแล้วก็พูดคุยแต่พูดคุยอย่างมีสติ เรามีสติคือรู้ตัวรู้ทันตายรู้ทันใจบางทีเราก็ว่าเราเร า, เราเช่นเราขับรถนะเรามีทนเราม่เกียวแต่ต้องมีสติไหมอาจจะมีก็ได้มไม่มีก็ได้เด่นแต่บางทีเราต้องเกิดโกรธคนที่ขับรถข้างหน้าไม่พอใจคนที่ปาดท้ายไม่พอใจจราจร ที่ปล่อยให้ดีนด้างหนไปมันเบรกด้านต า, า, านานเนี่ยแปลว่าเริ่ม่ประโดงกระเดกเหวี่ยงเตะใจเัาก็เสียโอ้ไปเขียวอีกแค่ห้าวิต่ไปพยายามเล่นล้ไม่ทั น, นเสียใจต้องรอไปแดงอีกนาที ก, กว่าเสียใจเราทุกแต่ถ้าเรารู้ทันเราต้องมีเวลานาที ก, กว่าอีกมือเล่ น, นรู้สึกตัว นาทีก่กว่านั้นแทนที่เราจะเอาไปใช้ในการโกดธหรือว่าเสียดายนาทีกกว่านั้นเป็นนาทีที่เราได้ตัดมารู้ตัวนะพอเราตัดมารู้ตัวนาทีก่อกว่าเราไปขับรถต่อก็มีนาทีดีกว่าแต่ถ้าเราเสียดายเราโกรธเราไปขับรถต่อก็แล้วก็อาจจะอ่าเรียกว่าประมาทนะัตาเห็น อาจจะเรียกว่าประดูปฏิเหตุก็ได้นะทาการที่เราเราจะมองโอกาสทุวโอกาสมันเป็นเวลาภาวน า, นานก็ได้อนะีกครับเดี๋ยวเรารับ่อนเนาะแล้วก็เจริาอาหารต้องเรียกว่าอนุโมทนากรรมให้ครูทังบุญจัดนะที่ไดธรรมาหาเตียงที่พักให้กับเรา ก็สบายมากเลยเนาะเราไม่ต้องวุ่นวายทําครัวไม่ต้องวุ่นวายเป็นแกตลาดแต่เราก็มีอาหารที่มียั่โยืทําให้เนี่ยก็ถือว่าเราก็ได้อันดับสมบูรณ์เราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนอื่นแล้วก็เอาสิ่งที่เขาเอื้อเฟื้อนี่แหละสิ่งที่เขาช่วยเหลือเรานี่แหละเอาไปทําควางานความดีแล้วก็ คือมากรณีตอนนี้ก็คือเราปยายามทำของรู้สึกตัวของเราเนี่แหละให้มันชัดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวมันจะดีขึ้นของมันเองจะรับโครงสร้ของมันเองะใจจะบริสุทธิ์ขึ้นของมันเองนะตั้งใจรักก่อนเนาะแล้วก็มา